วันมาคะวันที่เท่าไหร่นะอ่ะวันมาคะวันที่สี่มาค้าคราวหน้าเนี่ยจะพานั่งภาวนาฟังเทศตลอดคืนวันที่สี่กุมพมีนาวันที่สี่มีนาไปเตรียมตัวไว้พากันนั่งภาวนาฟังเทศตลอดคืน สลับสวดสวดธรรมจักสวดอาทิตย์ตปริยยะสูตรสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรสวดอาทิตรปริยยะสูตรสวดอนัตตะลัคนะสูตรสวดมหาสติปัฏฐานาสูตรเนี่ที่ระบุไว้สามสี่สูตรเนี่ยสูตรยาวๆจากนั้นแล้วก็มีสูตรอื่นๆ อ, อ, อีก เดี๋ยวไปหาเลือกดูไปเตรียมตัวไปปรับปรุงตัวเอาไว้ใครไม่เคยอยู่ตลอดคืนวสองสามสี่ทุ่มไปแล้วก็ชักแงะๆๆๆๆชักเข้าหาที่ชักเข้าหาสาถาหมอน <c oughs> สมัยกลางพุทธกาลท่านฟังเทศทั้งคืน ท, ทั้งนั้นแหละ ไปฟังดูในชาดกแ ต, แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอ่ะตลอดคืนเท่านั้นแหละเราอยู่บันโพน่ะลุงลุงปู่เขียนนันพาทำตลอดนะมาขะบูชาวิสาขะบูชาอุนวัดดอยจันแบนลูงปู่เบนพาอยู่ตลอดทั้งคืนนะพาภาวนาตลอดคืน <c oughs> เดี๋ยวให้บอกกันต่อๆไปวันที่4วันมาคบูชาเนี่ยจะพาทาวัดจะพานั่งสวดมนต์จะพานั่งภาวนาจะพาทาวัดสวดมนต์นั่งภาวนากันตลอดทั้งคืนแหละอย่างน้อยก็เลิกกลับไปเอาผ้าคลองก็แล้วกันแหละ หรือใครขี้เกียจไปก็เอาผ้าคลองมาพร้อมต <c oughs> อนที่สี่มีนา <c oughs> เราอยู่เท่าเดิมมันก็ไม่เห็นไปหน้ามาหลังอะไรขยับเข้าไปอีกขยับเข้าไปอีกทำให้มากกว่านี้เจริญให้มากกว่านี้ตั้งใจทำความภาคความเพียรให้มากกว่านี้ สนอกสนใจข้อวัดปฏิบัติให้มากกว่านี้ไม่ใช่แต่ละวันแต่ละวันกับเกลินไปกับอะไรเถอะไรสรรพันะในโลกปัจจุบันเนี่ย <c oughs> มันมีอยู่มีสิ่งพาเสียหายมีมากมายเยอะแยะเลยสมัยทุกวันเนี่ยเราอยู่เท่าเดิมแล้วก็ได้เท่าเดิมเราขยับให้มากกว่าเดิม เราก็จะดีกว่าเดิมไปเตรียมไว้ไปเตรียมตัวเอาไว้ใครอยู่สองทุ่มสามทุ่มก็ชักแงๆใกล้จะตายดิน่นดินหาสาถาหมอนอด น, นะนอนผ่อนอาหารหัดอดเอาไว้หัดผ่อนอาหารเอาไว้ถ้าอยากอดนอนได้ต้องผ่อนอาหารฉันอาหารเต็มแพร่ แต่อยากอดนอนอยู่หมดทั้งคืนอดไม่ได้ดอกแต่ถ้าเราผ่อนอาหารเนี่ยอดอาหารหนึ่งวันสองวันเป็นต้นไปมันอยู่ได้ร่างกายมันไม่หนักหน่วง <c oughs> มันไม่ท่วงจิตท่วงใจภาวนาก็เบาสบายจิตใจก็ปลอดโปรง่งง่วงนอนมันก็ไม่ง่วงมันไม่ง่วงนะ มันมันไม่เหมือนเราไปรับทานอาหารเต็มแปรทุกวันรับทานอาหารเต็มแปรทุกวันร่างกายมันหนักมันหน่ว ก, ม, นนกมันเหน็ดมันเหนื่อย <c oughs> พาเวียนเทียนด้วยพาเวียนเทียนแล้วก็พา สมวัสวดมนต์แล้วก็พูดคุยอบรมกันตามสมควรนั่งภาวนาสลับไปกับสวดสูตรสำคัญสำคัญอาทธิตะปริยยะสูตรธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรอนัตตลกนณสสูตรมหาสติปัฏฐานสูตรหนังสือมหาสติปัฏฐานของเราเห็นมไหมใครเห็นมีเหลือบ้าง นะที่พิมพ์เป็นเล่มมีสูตรเดียวนะใครเห็นไหมมีเหลือพอสิบยี่บเล่มไหมไปทํามามาแจกกันให้ได้พอกันสวดมหสิปทานนี่มันเป็นภาคปฏิบัติทั้งนั้นอยู่ในนั้นหมดเลยสมถาวิปัสนาอยู่ในนั้นหมดมหาสติปัฐานนี่นเป็นข้อปฏิบัติโดยตรงเลยเกี่ยวกับกายกับเวทนากับจิตกับธรรม มันเป็นภาคมันเป็นภาคปัญญาที่เราพิจารณาเกิดเป็นภาคปัญญาได้เป็นอย่างดีวันคืนล่วงไปเราก็อยู่กับการพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมพิจารณากายก็กระเทือนถึงจิตก็จิตพิจารณา พิจารณาเวทนาก็กระเทือนถึงจิตเพราะเราเอาจิตพิจารณาพิจารณาจิตพิจารณาอยู่เฉพาะจิตจิตพิจารณาจิตเองทําได้หรือไม่ได้ลองย้อนดูเดี๋ยวนี้ก็ได้นะดูจิตของเราดิย้อนดูได้ไหมกุฏิเจ้าท่านยังสอนให้พิจารณาเลยพิจารณาจิตจิตตานุปศนาจิตรัก กรู้ว่ารักจิตหายรักก็รู้รู้ว่าหายรักจิตราคะก็รู้ว่าราคะจิตหายราคะก็รู้ว่าหายราคะจิตโลภก็รู้ว่าโลภจิตหายโลภก็รู้ว่าหายโลภจิตโกรธกรู้ว่าโกรธจิตหายโกรธก็รู้ว่าหายโกรธนะพุทธิยถาสอนให้เราพิจารณาเราจับจิตเราจับยาก เพราะว่าเรายังยังหยาบอยู่เรายังไม่ละเอียด <c oughs> เราเข้าถึงจิตมาได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องจับอารมณ์ของจิตจิตมันมีกิริยาการยังไงที่มันแสดงออกตอนนั้นเราก็จับกิริยาการอย่างนั้น <c oughs> จับกิริยาจิตโลภจิตโกรธจิตหลงแต่จิตหลงนี่จับยากนะจิตหลงมันจะมาพร้อมกับโกรธ มันจะมาพร้อมกับโลภมันจะมาพร้อมกับราคะตัณหาตัาตวตัวความหลงเนี่ยมันจะบวกไปทุกอย่างมันจะบวกไปทุกเรื่องที่มันพันม่พาคิจออกนอกโลกนอกทาง <c oughs> ไอ้ตัวเจ้าความหลงกิริยาของความหลงของจิตเราก็คือเราไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวไม่รู้เนื้อรู้ตัว พร้อมที่จะทำให้มันโกรธพร้อมที่จะเสริมให้มันโกรธพร้อมที่จะเกลียดพร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะนึกอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตพยาบาทจองเวรมันพร้อมที่จะนึกไปมันเสริมไปมันเสริมไปให้ใหเห็นเคลื่อไปกับสิ่งเหล่านั้นนีน่คือหลงกันนะหลงหลงไปกับอารมณ์ที่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมด หลงคิดเสริมไปกับกิเลสไม่รู้สึกตัวนั่นแหละคือหลงของความอารมณ์ของความหลงเราจะทันมันได้ต้องเมื่อเราเจริญสตินี่แหละเจริญทันทันยังไงจิตโลมันมีความลอภอยู่ที่จิตทะนให้เรากําหนดจ่อไปที่จิตดูว่าจิตมันมีความโลภมันทำอยากไดอ้อย่างนั้นอย่างนั้นนี่นะพอเราจ่อเข้าไปแล้วก็มันก็ มันก็ตื่นตัวมันตื่นตัวแต่ความหลงก็หายพอความหลงหายมันก็รู้สึกมันก็รู้สึกตัวโอ้หลบเนี่ยโอ้รู้สึกตัวโอ้หลบโกรธตาดำตาแดงเสริมมันไปเสริมมันไปกับความโกรธถึงอกเลิกเกินถึงใจเลิกเกินสักใจเลิกเกินโหน่ะโกรธตาดาตาแดงนั่นแหะหลงไหมมันหลงหลงไปเสริมมัน หลงไปเสริมกับความกโกรธตาดาตาแดงหลงพอเราเจริญสติพระโอ้โกรธสติเราทันสติคือความระลึกได้ลึกระลึกรู้มันกโกรธพอเราลึกรู้หลับอับความหลงมันก็จางไปเห็นไหมความหลงก็จางไปความรู้สึกตัวมก็ตื่นขึ้นมามันก็ดึงขึ้นมาดึงจิตดวงนั้นให้อยู่ในปัจจุบันขึ้นมาอ๋อจักรทวารู้รู้ว่ามันมันกโกรธ อ๋อมันหายไปแล้วอืในขณะที่โกรธสมมติเรากำลังกำลังโกรธปั๊บเราระลึกรู้ปั๊บโอ้โกรธสติกันหมดเราเเราลืรู้ว่าโกรธแต่อย่าคิดว่าเราโกรธกันแล้วกันดูไปที่กิริยาการของความโกรธอ่พอสติระลึกรู้ทันปั๊บความหลงมันก็บางไปเบาไปหายไปความโกรธมันก็หายไปทําความรู้ รู้ว่าเออโกรธหายไปแล้วโอ้เดี๋ยวนี้กําลังโกรธโอ้โกรธหายไปแล้วโอ้เดี๋ยวนี้กาลังโลภอโลภหายไปแล้วโอ้เดี๋ยวนี้กําลังมีความกําหนัดราคะอ่ากับอะไรก็ตามแต่โอ้จิตกําลังมีความราคะยังมีความกําหนัดโอ้หายกําหนัดแล้วเรารู้ที่ความหลงมันละเอียดขนาดไหนมันกลมกล่าจิตใจของเราเคลื่อไปกับมัน พาะเรายอมเป็นลูกสมุนเหมันยอมเป็นสมัครพรรคพวกกามันเพราะเราไม่มีกำลังไม่มีกำลังของสมาธิไม่มีกำลังของสติไม่มีกำลังของสมาธิไม่มีกำลังของปัญญาเราก็เลยยอมเป็นทากเหมันตามหลังเหมันต้อยต้อยต้อยสนุกเหลือเกินเพลินเหลือเกินสนุกเหลือเกินเพลินเหลือเกินสักหน่อยหนึ่งควา ม, มาทุกข์ก็ตามาทุกโกรธทุกเกลียดทุกดาทุก ปากร้ายให้เขาเดี๋ยวเขาก็ปากร้ายให้คืนประทุษรายเขาเดี๋ยวเขาก็ประทุษร้ายให้คืนเอาพยาบาทเขาจองเวีเขามีสมัครพรรคพวกเล่นงานเขาเขาก็มีสมัครพรรคพวกเล่นงานเราเดี๋ยวก็ทุกข์คืนเรื่องเวียนเรื่องไัยเรื่องบาปเรื่องกรรมเหล่านี้มันมาตรงนี sigui, ้แหละมันมาพร้อมกับความหลงของเราเนี่แหละไม่ทันมันเน่ยไม่ทันมันเนี่ยไหม จิตเกี่ยวกับจิตจิตดูเฉพาะจิตจิตพิจารณาเฉพาะจิตพิจารณาจิตมันพิจารณายากเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจานาอารมณ์ที่จิตกําลังเกาะ อ, อยู่ตอนนั้นเดี๋ยวนั้นขณะนั้นจิตมันเกาะโปรดเกาะโลภเกาะหลงเกาะ อ, อิจฉาริษยาพยาบาทเกาะราคะตัณหาเกาะความเพลินใจเกาะความชอบใจกิริยาการมันมีมากมายหลายอยา่าง กิริยาอาการของมันดูไปที่จิตดูไปที่ผู้รู้เราจะเห็นกิริยาอาการของมันกิริยาของอาการข้อมันคืออะไรเป็นอะไรพยายามดูให้ออกเพราะเราดูออกสติมันเกิดขึ้นสติคือความระลึกได้มันเกิดขึ้นความชัดในขณะนั้นของจิตของเราเนี่ยมันชัดขึ้นในเมื่ออารมณ์ปัจจุบันในขณะนั้นชัดขึ้นอารมณ์อารมณ์อดีต คืออารมณ์อดีตมันก็ตกไปมันก็ล่วงไปอารมณ์ขณะปัจจุบันเนี่ยมันจะตัดอารมณ์ขณะก่อนอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะตัดอารมณ์ขณะก่อนกิริยาของจิตของเราภายในจิตของเรามันจะมีกิริยาอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันหายไปได้ยังไงมันหายไปเพราะว่าขณะใหม่มันเกิดขึ้นขณะก่อนมันก็ล่วงไปแล้วมันหายไปเป็นอดีตไปแล้วโกรธเดาเดาเดาเดาดินแล้วดายู่ตอนนี้ เราเลิกลึกได้ตั้งตัวตั้งเนื้อตั้งตัวได้นี่คือขณะใหม่มันเกิดขึ้นแล้วขณะก่อนมันก็ถูกถูกตัดไปแล้วที่จิ ต, ตของเราเกิดดับเกิน ด, ดับเกิน ด, ดับๆๆกับการวิ่งรับอารมณ์อยู่อย่างนี้เราพยายามศึกษามาที่จิตจาะมาที่จิตดูเราไปดูไปฟังไว้หลังนะไว้หลังพวกหงโปู่คณาจารย์นิการเส่นเขาพูด ถ, ถึงเรื่องจิตพูด ถ, ถึงเรื่องจิตจิตคือพุทธะ จิตหนึ่งจิตคือพุทธจิตว่างเขาพูดถึงถึงเรื่องจิตพูดถึงถึงกิริยาการของจิตเราสังเกตเราฟังดูไม่พูดถึงอย่างอื่นพูดพูดถึงถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตทั้งนั้นเองเพราะตัวนี้เป็นตัวการตัวเดียวนี่แหละตัวจิตตัวเดียวนี่แหละเป็นมหาเหตุนี่แหละท่านเรียกว่ามหาเหตุอะไรทุกอย่างทุกเรื่องในโลกจิตไปจากจิตทั้งนั้นไม่มีจิต ไม่มีจิตสยางก็เหมือนต้ตนเสาเหมือนกบเสาเหมือนโคนเสาเห ม, มือนดินเหมือนอิดเหมือนปูนเหมือนอะไรที่ที่อยู่เกี่ยวข้งของกับเราเนี่ยมันไม่รู้สึกมีความสุขความทุกข์อะไรอโดยเหตุที่เรามีจิตตัวเดียวนี่นแหละทาให้เราทุกข์วุ่นสรพัดอยู่เดียวนี่น่ะทําให้เราพลอยทุกข์เสริมไปกับมันอยู่นี่แหละกิริยาการที่มันเสริมกับมานให้เรารักให้เราชัง ให้เรากำหนดให้เรายินดีมีราคะมีลูกมีผัวมีมีเมียทำมาหากินทุกอย่างลำบากอิจฉาร ah. ิษยาทะเลาะเบาแวงผิดใจกันไม่ถูกใจกันสัต์พัความทุกข์ทั้งหลายตามมาเพราะอะไรก็เพราะใจดวงเดียวนี่แหละผู้ที่จะตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยใจดวงเดียวนี่แหละ เพราะฉะนั้นใครเห็นจิตคนนั้นเห็นพุทธะท่านจึงว่าตัวพุทธะคือผู้ตรัสรู้พุทคือผู้ตรัสรู้เราอย่าไปคิดว่าเราเป็นพระพุทธเจ้าก็แล้วกันอานุพุทธะอนุพุทธะหนึ่งคือผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเห็นไหมอนุพุทธะที่เขาเขียนไว้อนุพุทธะแปดสิบเนี้ยผู้ที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกที่ท่านตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ท่านเรียกว่าอนุพุทธะอนุพุทธะอนอนุพุทธรู้ตามตรัสรู้ตามพุทธะแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานพุทธะพุทโธเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอนุพุทธะผู้รู้ตามอนุแปลว่าตามอนุน้อยภายหลังตามอนุแปลว่าตามอนุพุทธะแปลว่าตรัสรู้ตาม พระสงฆ์สาวกผ <c oughs> ู้ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วตรัสรู้ตามบรรลุธรรมตามนะบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเนี่ยพระสงฆ์สาวกบรรลุธรรมตามพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นใครเห็นจิตพนั้นเข้าถึงพุทธดูท่านพูดน่ะถ้าไม่มีพุทธถ้าไม่มีจิตสัอย่างเอาอะไรมาเป็นพุทธไม่มีแล้ว จะปรารถนาเป็นเป็นพระพุทธเจ้าจะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ปรารถนาเป็นพระพุท ธ, ธ, ธเจ้าเพื่อจะไปบอกใครไปสอนใครบรรลุมาแล้วแต่สรุปมาแล้วก็ต้องสอนสัตว์สอนมนุษย์สอนสัตว์ที่มีจิตวิญญาณมีความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องไม่ไม่สอนก้อนหินต้นเสาดินน้ำลมฝอไม่สอน สอนสัตว์ที่มีจิตมีความรู้สึกนึกคิดรู้รู้จักรู้สึกสํานึกดีชั่วเนี่ยสอนสอนพวกนี้ตัางหาเพราะพวกนี้แหละมีพุท ธ, ธะขึ้นมาแล้วพุท ธ, ธะมันไม่บริสุทธิ์มันมีกิเลสเคลือบแฝงมาด้วยมันก็ไปก่อทุกข์ก่อโทษก่อเวรก่อภยัยก่อบาปก่อกรรมทุกสารพัดดูเถอะทุกในหัวใจของใครบ้างมีความทุกข์อยู่นนอกจากนั้นแล้วได้ได้จิต จิตนี่มันมันก็สแสวงหาที่เกิดมันก็ได้กายใช่ไหมก็เหมือนอย่างพวกเราเนี่ยเรามีผู้รู้เราก็มาได้อัตภาพร่างกายก็เพราะวิาวบากกรรมมันมีอยู่ที่จิตดวงนั้นแหละจิตที่มันดิ้นตามอํานาจของตัณหามันก็สอบมันก็สแสวงหาเสาะไปเสาะมาสะแสวงไปสแสวงมาด้วยบุญด้วยกรรมมีวาสนาบารบมีพอจะเป็นมนุษย์ก็บัติมาเป็นมนุษย์เนี่ยเห็นไหมต้องมองแต่งแบงเเป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่เนี่ย นี่เป็นมนุษย์ได้มนุษย์ขึ้นมาแล้วเป็นยังไงล่ะวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดได้อะไรได้มีอัตภาพร่างกายประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเกาะกลุ่มด้วยอำนาจของกรรม่านดินน้ำลมไฟอันนี้มีเนื้อมีหนังมีเอ็นมีอาการสามสิบสองอย่างที่เราสวนเมื่อกี้มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูก แล้วก็สิ่งจำเหล่านี้มันคงที่เสอย่างไหมไม่คงที่เสียอย่างต้องแก่ไปต้องเจ็บไปต้องแก่ต้องเจ็บเจ็บก็คืออะไรเจ็บเพราะถูกหนาวมากเกินไปร้อนมากเกินไปถูกทิ่มแทงด้วยของแหลมถูกทับด้วยของหนักเจ็บตายด้วยยาพิษอย่างเงี้ยทรมานด้วยโรคร้ายอย่างเงี้ยไม่สะดวกสบายด้วยไอด้วยจามด้วยวัด โดยโรคสารพัดที่มันจะพึงตา ม, มานี่เห็นไหมกองทุกข์อะไรเป็นตัวคว้าเข้ามากองทุกข์ทั้งนี้อะไรเป็นตัวคว้ามาก็ผูรู้ของเราเนี่แหละมันคว้ามาติดมาติดมือมาเห็นไหมใครมีเวรมีกรรมมีอะไรติดมาติดมือมาอย่างไงมันก็ได้ไปงั้นมันก็รับไปงั้นที่จะเรียกว่าบุญกรรมบุญกรรมทุกคนมีกรรมติดตัวมีชนะติดหลังทั้งนั้นกรรมติดตัว โอกาสดีนาทีทองของกรรมกรรมไหนที่มันจะเล่นงานได้มันกับความมาเหมือนสุนัขไล่เ น, นื้อเนื้อตัวไหนที่มันอ่อนแรงปับ๊บสุนัขคาบกลับมา ก, บกัดฉี่กินซ้านานคือกรรมให้โทษละเวรให้โทษกรรมให้โทษนี่คือความเป็นอยู่ของมนุษย์ทุกอย่างลำบากเพราะอะไรก็เพราะมีผู้เดียวนี่แหละพลอขึ้นมาอืม เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาอุบัติขึ้นมาเพื่อสอนสอนให้คนรู้จักวิธีปฏิบัติให้จิตเข้าถึงความสุขให้พ้นจากความทุกข์เนื่องจากมีเนื่องจากว่ามีอัตภาพร่างกายขึ้นมาแล้วความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็ตามมาพระพุทธศาสนาอุบัติมาเพื่อสอนสัตว์สอนใจคนสอนคนรู้ดีรู้ชั่วถ้าท่านสอนแล้วไม่เอา ก็ลุยหน้าตะพืชเดี๋ยวเจอร้อนเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวแสบปวดร้อนครวนครางปางตายแล้วก็ตายชักดิ้นชักงออยู่นั่นน่ะนั่นริชาทานสอนถางเดิน่นไม่เดินความเจ็บความปวดะมันทิ่มแทงมันแผลงทิดเดดแผลงสอนแผลงหอกแหลนหลา ม, มันทิมแทงทุกวันน่ะทิมแทงใจดูไปเถอะแต่ละวันแต่ละวันอะไรบ้างมาแทงใจดูเราก็ดูเข้าไปสิอะไรบ้างมาทมแทงทิมแทงใจของเราก็สิ่งเหล่านี้แหละมันทิมแทงสิ่งเหล่านี้มันทิมแทงท่านจึงให้ชาระจิตที่เราได้มาแล้วเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ตามหลักที่พระเจ้าท่าน สร้างบา ร, รมีมาจนได้ตัดสรุ้เอาวิชาการที่พระองค์ตัสรู้นั่นแหละมาบอกมาสอนเราเออที่พวกเราเกิดตายเกิดตายเกิดตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติอยู่ไม่หยุดไม่ย่นก็เพราะเรามีกิเลสตัณหาอวิชาในหัวใจนะท่านสอนว่าพวกเรามีกิเลสมีตัณหามีอาสวะในหัวใจอเวลามันแสดงกิริยาความโลภแสดงกิริยาความโกรธ แ ส, สดงกริยาอิฉาทิษยาพยาบาทราคะตัณหานี่คือพิษสงของมันพอแ ส, สดงออกมาแล้วเราก็หลงเคลิ้มไปกับมันสนองตอบกับมันสะใจในขณะที่ทำเวลาล่วงเลยมากับความทุกข์ตั้ไหลายมันก็ให้ให้โทษสะใจของกิเลสอีกเหมือนกันมันสะใจกันไปสะใจกันมาก็อยู่อย่างนี้แหละไม่จบไม่สิน้นเห็นไหมเข็ดลาบไหมเวลาความทุก เจ็บแสบปวดร้อนในหัวใจมันทิ่มแทงหัวใจนี่นเห็นไหมความบีบบังคับด้วยความรู้ถ้าไม่ถึงถึงการพยายามจะบีบบังคับให้อันนั้นมันเป็นไปตามใจหวังของตัวเองบีบบังคับอันนี้ให้เป็นไปตามใจหวังของตัวเองถ้าสิ่งเหล่านั้นไปเกี่ยวข้องกับคนก็ต้องได้พูดกันได้เถียงกันได้ทะเลาะกันได้ฆ่ากันได้แกงกันหนุนเลยพยายามบีบบังคับให้เป็นไปตามใจหวัง เขาพยายามบีบบางข้าให้เป็นไปตามใจหวังของเขาเราก็พยายามบีบบังคับให้เป็ียนไปตามใจหวังของเราทะเลาะเบาะแว้งฆ่ากันคนในโลกคนทั้งโลกมันก็ไปด้วยเหตุอย่างนี้เองนี่พิษสงของความโลภความโกรธที่มันมีอยู่ในหัวใจอวิชชาทันหาอุปาทานมันมีอยู่ในหัวใจอุตตยาท่านจึงสอนให้พวกเราศึกษาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา ศีลก็จะลอมเข้ามาศึกษาเข้ามาสามารถระงับเหตุให้เกิดทุกข์เหล่านั้นอย่างจับยา บ, บได้ที่มันจะพึ่งแสดงกิริยาออกมาทางกายทางวายจาจากนั้นก็อนุสัยกิเลสลึกเข้าไปในจิตท่านจึงให้ภาวนาสงบระงับมันซะก่อนดึงมันออกยังไม่ได้ถอนมันออกยังไม่ได้สงบระงับมันซะก่อนท่านสอนให้สมถะเข้ามาดึงจิตเข้ามา ผู้รู้มันซ่านไปกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสตามลักษณะกิริยาการของตัณหาที่มีอยู่ภายในจิตมันพาจิตซ่านไปท่านให้สงบจิตที่ซ่านไปด้วยงานงานก็คืองานบริกรรมท่านเรียวว่าบริกรรมคำว่าบริกรรมก็คือทําซ้ําๆลำดำติซ้ําๆพุทโธพุทโธพุทโธกําหนดลมหมายใจเข้าลงหายใจออก หรือไม่ก็ดูแต่ลมอย่างเดียวก็ได้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจเข้าเข้ายาวก็รู้ว่ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ว่าสั้นกลั้นลมหายใจลมหายใจละเอียดยังไงแค่กําหนดรู้หมดนี่คือกิริยาการหรืออารมณ์ อารมณ์ที่มากากับเพื่อจิตที่มันสร้านไปตามตัณหาเนี่ยให้มันหยุดให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันหยุดให้มันชะลอให้มันนิ่งโดยมันหิวมันกระหายตามอำนาจของกามตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาในในหัวใจของจิตดวงนั้นแหละมันร้านไปไม่รู้จะหยุดไม่รู้จะจบพระพทเจ้าจึงเอางานมาให้ทำให้จิตดวงนั้นมันอยู่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ นี่คือแนวทางที่พุทธเจ้าท่านสอนพุทธเจ้าเข้าไปเล่นงานไอ้สิ่งที่เป็นโทษที่มันแฝงมากับาธาตรู้ผู้รู้ของเราเนี่ยออืผู้รู้ของเรามันไม่บริสุทธิ์มันมีสิ่งที่เป็นโทษแฝงมาด้วยเคลือมาด้วยพุทธเจ้าจึงสอนวิธีนี้แหละให้พวกเราจัดการสมรัตรรมสามารถทําจิตให้ได้รับความสงบไม่เดือดไม่ไม่ดานไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัส ที่ตันหามันมันมันยั่วยุให้จิตเนี่ยเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้น แ, แต่เราต้องอาศัยสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนชั้นเยี่ยมสติมาสัมปชาโนนะสติมาสัมปชาโนอาตาปีอาตาปีความเพียรพระคับประคองสัมปชาโนคือสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมกำลังนั่งภาวนาอยู่ สติระลึกได้ยับยับยับยั บ, ยบปลุกตัวเองให้ตื่นทุกระยะทุกเวลาเราอยู่อย่างนี้เนี่ยห้านาทีสิบนาทีเป็นต้นไปไยเราพูดอย่างนี้มันเข้าหลักของไวหลังกันนะไวหลังเขาบอกว่าไวหลังเนี่ยเขาสอนให้สิทธิ์ของเขาเนี่ยเจริญปัญญาคู่คู่กันกํากับไปกํากับกันไปกับสมาธิต่างไวหลังน่ะสังคายโนยกนิกายเสียน พวกนี้ประเภทตัดสู้เร็วรู้บรรลุบรรลุธรรมเร็วท่านสอนให้สี่ดองท่านเนี่ยเจริญปัญญาควบคู่กันไปกับสมาธิปัญญาควบคู่กันกับสมาธิที่พระพุทธเจ้าของเราสอนอที่เทราวาตครูบาอาจารย์เราสอนมาก็คือเรามีสติเรามีสัมผััญญาและเรามีอาตาปีเนี่ยขนาดของจิตของเราที่เราอยู่ในกิริยาอาการเหล่านี้ มันมีปัญญาอยู่ในนั้นมันมีปัญญาอยู่ในนั้นนี่มันเข้ากันกับสมาธิคู่ไปกับปัญญาปัญญาคู่กันไปกับสมาธิแล้วอาศัยกิริยาจิตระดับนี้แหละสามารถตามต้นกิเลสอนุยัยที่อยูใใอาาออ่ในหัวใจของเราสามารถแวกหาเงื่อนหางำที่มันแทรกในหัวใจของเราสามารถแวกแหวกออกไปได้รู้ได้ ดึงได้ชักได้ลากออกมาได้ลากออกมาได้สติมาสัมผัสโนอาตาปีอันนี้เป็นหลักในมหาสตินะมหาสติปัฏฐานมีสติแท้ที่จริงสมาธิที่พระพุทธาส่านทรงสอนเนี่ยสมาธิอันนี้ที่ที่ททเรียกว่าสมัตสมถตที่พระพุทธเจ้าท่าสอนเนี่ยคือสมถตที่พร้อมโดยสมาสพร้อมด้วยสติพร้อมโดยสัมผััญญะพร้อมด้วย อ า, อาตาปะคืออาตาปีความเพียรเพียรประคองจิตให้อยู่กับอารมณ์ันเดียวเพียรตามรู้รอบประคองที่เรากําลังประคองอยู่สติระลึกยับยั บ, ย บ, ย บ, ยบนี่คืองานพระคัประคองไปผู้รู้เกิดขึ้นตลอด อ, อวิชชาโมหะเข้าครอบงาจิตดวงนั้นไม่ได้เข้าไปแทรกแซงจิตดวงนั้นไม่ได้ ไม่สามารถจะทำให้ความโลภความโกรธราคะตัณหาเกิดขึ้นในขณะนั้นตอนนั้นได้มันเป็นวิธีการตัดกระแสของกิเลสในหัวใจไม่ให้มันเกิดขึ้นในหัวใจได้ขณะนั้นตอนนั้นได้อันนี้เป็นวิธีการทำทำอยู่อย่างนี้แหละคัดอยู่นี่เกลากันอยู่อย่างนี้เราลองทายดูว่ามันหมดไปได้ไหมสิ่งเหล่านั้นหมดไปได้ไหมลองทายลองดูหมดไปได้ไหมห ม, ไไไห ม, มันก็ย่อมหมดไปได้ ในเมื่อเราปิดรูทั้งหมดอ่ารูเหมือนอย่างที่ท่านเทียบจอมปลวกน่ะมีมีมีอยู่ห้าห้ารูหกรูเนี่ยนท่านให้ปิดหมดห้ารูให้ให้ปิดหมดให้จ้องอยู่กับรูเดียวเนี่ยห้าทั้งห้ารูท่านให้ปิดหมดให้จ้องอยู่กับรูเดียวซะหน่อยหนึ่งเดี๋ยวมันมันโผล่มาให้เราเห็นอ่ามันจะออกไปรูนั่งก็ออกไม่ได้รูนั่งมันก็จะออกไปไม่ได้รูนั้งมันจะออกไปไม่ได้มันก็จะมาออกรูที่เราเปิดเอาไว้นี่แหละ เราต้องการจับเฮี้ยมันมีรูออกห้าหกรูเนี่ยท่านท่านเทศอุปมาเอาไว้ท่านเทศอุปมาเอาไว้เฮี้ยมันอยู่ในรูอยู่ในจอมปลวกนั่นมันมีรูออกหรูรูหกรูนี่ก็คือรูตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะที่เราจ่ออยู่ที่ใจมันก็เท่ากับเราปิดรูปิดรู ที่เป็นตาเป็นหูเป็นชมูเป็นกลิ่นเป็นกายแต่เราจ้องดูที่ใจเราจ้องดูที่ใจมันออกมันออกรูนั้นก็ไม่ได้มันออกไปมันมันมันดึงดึงจิตไปสนใจเรื่องรูปมันก็ดึงไปได้หูมันดึงหูไปสนใจเรื่องเสียงมันก็ดึงไปไม่ได้ชมูกดึงไปเรื่องกลิ่นมันก็ดึงไปไม่ได้ลิ่นดึงไปเรื่องรสมันก็ดึงไปไม่ได้ มันดึงไม่ได้เพราะเพราะอะไรเพราะผู้รู้มันอยู่กับผู้รู้มันจ้องอยู่กับรู้เดียวรู้นอกนั้นมันอุดหมดอุดหมดแล้วเหลือรู้เดียวสโนยนึงเดี๋ยวมันโผล่มาให้เห็นอะไรตัวอะไรที่โผล่มาให้เห็นตัวเฮี้ยที่มันจะโผล่มาให้เห็นะจับเฮี้ยที่มันอยู่ในจอมลวกเดี๋ยวมันโผล่มาให้เห็นคือเจ้าตันหาเดี๋ยวมันก็โผล่มาให้เห็นโผล่มาก็ฟาดคอขาดโผล่มาฟาดคอขาด โผลมาก็ฟาดคอากาดแม่มันโปรมาก็ฟาดคอากาดลูกมันโผลมาก็ฟาดคอขาดนี่วิธีการที่พุทธเจ้าท่าสอนเพราะฉะนั้นจิตดวงเดียวมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าเราปล่อยไปโดยที่เราไม่มีวิธีการดูแลจัดการอาวิชาตันหาวปาฐานเอาไปถลุงทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเอาแต่ทุกแต่โทษมาให้เราทําหากินไปวันวันทำไปมือก็ทําไปอ่ มือก็ทําไปจิตก็คิดล่องลอยเรื่อยเปลยไปอยากได้นุ่นอยากได้นี่นึกรักนึกชัง้งนึกโกรดนึกเกลียดเครียดกับคนนั้นเครียดกับคนนี้สารพัดตัวที่หลงไปกับจา้าอำนาของความหลงโมหะกับจา้าอานาจของอวิชชามันกล่อมจิต ด, ดวงนั้นตกเป็นทาตุของมันมันเอาไปใช้งานทุกวันทุกวันทุกวันลงไหมเราหลงเลยมันหลงกิริยาการความหลงเหล่านี้ทุก ทำใหเราได้รับความทุกข์ทุกข์หรือไม่ทุกข์เวลาท่านประสบในหัวใจท่านท่านทุกข์หรือไม่ทุกข์มันน่าเข็ดหน้าลาบหรือไม่น่าเข็ดหน้าลาบสนุกแล้วเกินเพลิดเพลินแล้วเกินซักใจแล้วเกินอย่างนั้นเลยอ่เลือดเยิ้มไหลอาบตั้งแต่หัวามาหมดเนื้อหมดตัวงามแล้วเกินงามแล้วเกินเงือดเลือดสีแดงแล้วเกินงามแล้วเกินเอาลองดูสิอะใครไม่ยอมเข็ดใครไม่ยอมลาบชาติมนุษย์ ได้ยินฟังธรรมะของรูปเจ้าถือเป็นหลักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อเก็จเพื่อลาบเพื่อเอาไปปราบเอาไปปรามกองทุกข์ในหัวใจไม่งั้นแล้วราขาดทุนสูญดอกที่เขาเรียกว่าเหยียบแผ่นดินผิดเหยียบแผ่นดินผิดนี่แหละไม่สนใจเรื่องอาเรื่ยธรรมเหยียบแผ่นดินผิดเหยียบแผ่นดินผิดมันตกไปไหนหนอพลาดตกไปหลุมเอเวจีมหานารกหนอเอาสิไปทุกข์ทรมานขนาดไหน กี่ครั้งกี่การกว่าจะพผล่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีศรรักดิ์ศรีไม่มีอำนาจไม่มีวาสนาไม่มีอะไรเป็นสง่าราศีเลยอย่นน่นะสัตว์ในอเวจีมหานรกเราไม่ต้องไปดูในโลกนั้นกันตามเราดูในโลกมนุษย์เราเนี่ยเราดูสัตว์ที่มันทุกทรมานตกทุกข์ได้ยากเราดูคนที่ทุกทรมานตกทุกข์ได้ยากเราดูเอาซินี่เราดูเถอะ เราไม่ต้องไปดูในโลกสัตวนรกมีหรือไม่มีแค่ในโลกมนุษย์เองเราก็น่าเข็ดน่าหลา พ, พอแรงแล้วแหละอืมนอกจากเราไม่สนใจท่าน่ะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่สบายเฉยโอ้เลือดงามเหลือเกินโอ้เลือดแดงเหลือเกินงามเหลือเกินได้รบระยะแพรวพราวเนี่ยนี่นี่แหละท่านเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบวกัวงามเหลือเกินงามเหลือเกินมันกัดหัวจนจะขาดนนสนับหนึ่งปาดหัวขาดแน่ยัไงย เราดูดีความหลงมันหลงขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาใจการดูใจการกํากับใจก็เพราะใจเป็นอย่างนี้เอง น, นี่เราก็พยายามพูดให้มันเข้ากับที่เรว่าจิตจิตหนึ่งจิตคือพุทธะความหมายเข้าเป็นนี้นะ่ะคือพวกเราถ้าไม่มีจิตถ้าเราไม่มีจิตถ้าเราไม่มีทารู้ไม่มีผู้รู้จะเอาอะไรมาเป็นหน่อเนื้อพุทธะ คมพุท ธ, ธะในทีนี้หมายความว่าเป็นผู้มีภูมิพร้อมที่จะรู้จะเข้าใจเรื่องอัดเรื่องธรรมมันไม่เหมือนต้นเสาไม่เหมือนก้อนหินที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่เป็นดิ น, ดนเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟความสุขก็เกิดขึ้นกับก็เพราะสิ่งเหล่านี้แสวงหาความทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้แสวงหามันมีโทษอยู่ในภายใน พระพุทท่านจึงพยายามสอนให้เอาโทษเหล่านี้ออกโดวยวิธีปฏิบัติสงบระงับด้วยสมถะเห็นไหมทําจิตเห็นรัความสงบแล้วก็พิจารณาจ่องดูมันสงบแล้วมันเหลือช่องเดียวอยู่กับจิตจิตยูู่ร้รู้อยู่เฉพาะจิตอนุสัยอิเลสภายในจิตมันยังไม่หมดเดี๋ยวมันก็โผล่ออกมาให้เราเห็นเฮียมันจะออกช่องนั้นก็ไว้ได้ออกช่องนั้นก็ไม่ได้ออกช่องนั้นไม่ได้มันออกมาหากิน มันไม่มีช่องออกมันก็ออกช่องที่เราจดจ่ออยู่นี่แหละออกโผลมานะโผลมาก็จับโผลมาก็จับโผลมาก็จับจับไปฆ่ากินจนหมดนะฮะจับเฮียได้จับเฮียไปฆ่ากินจนหมดจับอวิชชาตันหาวปาทานที่มันออกมาที่มันออกมาผ่านเงื้อมือของสติเงื้อมือของปัญญาที่ ผู้บำเพ็ญเพียรตั้งใจบำเพ็ญเพียรกำหนดจดจอ่อคอยเล่นงานมันอยู่จับได้หรือไม่ได้เราดูฟังอุ ป, ปมายอย่างนี้แล้วเราไปกำหนดจดจอ่อพิจารณาดูจับได้หรือไม่ได้เห็นหรือไม่เห็นพิจารณาได้หรือไม่ได้ดูไปที่จิตของเราเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมนี่เราพูดไปถึงตรงนั้นแล้วก็เลยไปติดแงะอยู่ตรงนั้นขยายความตรงนั้น เอาละ่ะพอสมควรกัเวลาแล้ววันนี้เนี่ยวันนี้เกริ่นๆนะ <c oughs> มาคะวันที่สี่เนี่ยสี่มีนาเนี่ยอ่าไปเตรียมจะเตรียมไปฝึกฝึกซ้อมๆ อ, อยู่ทั้งคืน่ะฟังเทศทั้งคืนพาสวดทั้งคืนฟังเทศทั้งคืนพานั่งภาวนาทั้งคืน่ะวันนั้นอาจจะเลิกใกล้ๆจะอารุณขึ้นนิดหน่อย <c oughs> เพื่อไปเอาผ้าเอาอะไรแค่นั้นหละอาจจะที่ห้าเ ง, งี้ย ปีห้าเราก็ทำวัดทำวัดเสร็จสวดมนต์เสร็จแต่แท้ที่จริงเราก็มีภ้าคครองติดตัวมาแหละมันดีอ่อาวันนี้เอาแค่นี้ <c oughs>